อีกสูตร ต, ต่อไปนะประมาทวิหารีสูตรคือกล่าวถึงผู้อยู่ด้วยความประมาทเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูความพิสูน์ทั้งหลายเราจะแสดงภิกษุผู้อยู่ด้วยความประมาทและภิกษุผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเถิดเราจะกล่าวก็ภิกษุเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทนี่เป็นอย่างไรดูความพิสูจ์ทั้งหลาย ภิกษุไม่สำรวมจากขุนซีอยู่ย่อมแสไปในรูปทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยจักสุภิกษุมีจิตแสไปแล้วปราโมทก็ไม่มีคำว่าแสเนี่ยบางทีแปลว่า ส, า ส, าสาั้นไปสั้นแล้วก็ชมด้วยกิเลสอยางนั้นอ่ะคือสั้นแล้วก็ชมด้วยกิเลสเป็นไปอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าภิกษุมีจิตแสไปแล้วปราโมทไม่เกิด คำว่าจิตที่แสบไปอันนั้นเนี่ยเป็นจิตของที่ทุสีนั่นแหละว่าให้ตรงๆอ่ะคืออะไรไม่มีอินทรีย์สังวร น, นั่นเองอ่าเมื่อไม่มีอินทรีย์สังวรเนี่ยนะปราโมทมันจะเกิดจากไหนเพราะปราโมทมันอาศัยศีลใช่ไหมเป็นบาตให้เกิดเกิดปราโมทอ่ะทีนี้เมื่อมองศีลรักษาไม่ได้เอาปราโมทมาจากไหนเพราะปราโมทในที่นี้หมายถึงปราโมทที่เกิดจากกุศลธรรมเนี่ยนะเป็นปราเป็นความเอิบอิ่มจากกุศลธรรมทั้งหลาย เมื่อสอดสายตาเนี่ยคือดูแล้วนะไปในรูปเสร็จ แ, แล้วก็จิตเนี่ยโอ้ยลำเพึงขี้ถึงอยู่นั่นแหละในอารมณ์นั้นนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ก็ปราโมทก็ไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปีติก็ไม่มีเมื่อปีติไม่มีปัสสติก็ไม่มีเมื่อปสัสสธิไม่มีพิสูจน์นั้นก็อยู่ลำบากอะเดือดร้อนน่ยนะลำบากก็คือเดือดร้อนอะ่ะ เดือดร้อนทางกายเดือดร้อนทางจิตเร่าร้อนทางกายเร่าร้อนทางจิตกังวลก歪หมดอ่ะจิตของพิสูจนผู้มีความลำบากย่อมไม่ตั้งมั่นจะเอาสมาธิมาจากไหนใช่ไหมคือสมมติถ้าไปปล่อยจิตคิดเป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยมาเจริญพุทธานุสติไปได้ไหยไม่ได้แล้วนะนึกพระพุทธเจ้า ก, ก็ดูขอนโมฆาพุทธทำไมเธอคิดอย่างนั้นนะนึกถึงอย่างนี้ก็หหายใจยเนี่ยไม่ตั้งมั่นเลยอ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่มีความลำบากจิตก็ไม่ตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นทำทั้งหลายก็ไม่ปรากฏถ้าจิตไม่ตั้งมั่นสมถาวิปัสนาไม่ปรากฏทำตัวนั้นหมายถึงสมถาวิปัสนาสมถาวิปัสนาไม่เกิดอยู่แล้วแตเพราะอะไรเพราะว่าไม่มี 4, อินทรียสังวรตั้งแต่แรกอยู่แล้วไปถือโดยนิมิตโดยอนุพยัญชนะเนี่ยถึงเป็นนิมิตแห่งราคะนิมิตแห่งโทสะเนี่ยนิมิตแห่งบาปอาคุสุลธรรมทั้งหลาย พันเมื่อปล่อยจิตไปด้วยอำนาจแห่งบาปและอกุศลอย่างนั้นบาปอากุศลครอบงำท่วมทับจิตใจเนี่ยจิตที่ถูกราคะเนี่ยโสมนัสจริงนะนะโสมนัสเวทนาจริงแต่มันแห้งแรง น, นะนะแห้งแรงถามว่าทำไมจึงแห้งแรงเพราะไฟคือราคะมันเผามันโสมนัสแต่ว่ามันแห้งแรงจะต่างจากมหากุศลมหากุศลอนาพิชาเป็นต้นเนี่ยโสมนัสแต่ไม่แห้งแรง อกุศลโสมนัสแต่แห้งแรงเนี่ยนะมันเพราะไฟคือราคะมันเผาบาปอากุศลอย่างอื่นมันเผาอุทะจะมันเผาแต่มหากุศลไม่เผานี่เนีย่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่สอดสายตาด้วยอํนานาจแห่งบาปอากุศลแล้วก็ครุ่นคิดหมกมุ่นในรูปที่ที่ได้เห็นมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกุศลศีลไม่เกิดก็เดือดร้อนเร่าร้อนนั้นปราโมทย์ปีติปัสสัที่สุขสมาธิก็เกิดไม่ได้ ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นระดับหนึ่งเนี่ยนะสมถะเนี่ยเจริญได้ไหมจเจริญไม่ได้อยู่แล้วสมมติถ้าเอาเอ า, เอาตั้งว่าถ้าจ ะ, จะเจริญเมตตามาเนี่ยนะถ้าจะเจริญพรหมิหารเนี่ยถ้าปล่อยจิตให้ให้มองด้วยปฏิฆาณิมิตนานๆเนี่ยนะคิดว่าจะเจริญเมตตาได้ง่ายไหมมองคนนี้นะมองยิ่งมองยิ่งไม่ชอบเลยยิ่งไม่ชอบเลยนะยิ่งเกลียดมันมีแต่มันไม่มีดีอยู่เลยอะ ถึงมีฉันก็ไม่เห็นอ่ะฉันจะไม่ยอมรับรู้อ่ะฉันจะยอมรับรู้แต่ส่วนเลวอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดูจ้องอยู่นั่นแหละถามว่าเมตตามจะเกิดไหมมันก็ไม่เกิดและสมถามก็เกิดไม่ได้อะ น, นะเพราะสภาพจิตในขณะนั้นเร่าร้อนมากหรือถ้ามองโอ้ดีจริงนะสวยจริงงามจริงอ่ะนะคิดอยู่อย่างเงี้ไปเนี่ยนะอสุภาพมันจะเกิดได้ไหมหรือโอ้โหเนี่ยขันนะนี้ธาตุนะนี้อายตนะนะนี้รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอ น, นาคต มันคิดต่อไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าราค่าเป็นต้นเนี่ยมันแผดเผาซะจนมันถ้าบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นไม่สามารถที่จะเจริญสมถะและวิปัสสนาได้ธรรมะเหล่านี้ก็ไม่ปรากฏเพราะธรรมะทั้งหลายไม่ปรากฏคือสมถะวิปัสสนาไม่เกิดนะนะแปลว่าภิกษุนั้นถึงความนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทอย่างแท้จริง เนะี่ยพอเรียกว่าจับหาไปหาอารมณ์ไหนสมถะวิปัสนาในอารมณ์นั้นไม่มีเชื่อว่าประมาทจริงๆเลยนะนี่ถ้าเป็นแบบภาษาชาวบ้านเราแบบมามาพูดกันแบบสัมนวนเป็นภาษาชาวเราเลยนะน้งสัยจะเป็นคำที่หนักมากนะถ้าถ้าเป็นแบบสมัยนั้นนะถ้าเราฟังแบบสัมนวนจากภาษาดั้งเดิมเลยนะเป็นคำที่หนักเพราะบอกว่าเป็นผู้ประมาทนี่ก็นับว่าหนักเลยนะบอกว่าแท้จริงด้วยนะก็คือย้ำมากบอกว่าโอ้โหเลวมากเหมือนกนเถอะ กูต่ำซ้ำ ม, มากเลยนะถ้าได้ขนาดนี้แล้วอะ่ะเพราถือว่าไม่มีสาระอะไรเลยนะเพราะปกติในศ า, า, า, าสนานี้ก็ยังมีเนี่ยศีลเป็นสาระสมาธิเป็นสาระปัญญาเป็นสาระนะเมื่อศีลไม่มีตั้งแต่ดูแล้วจิตก็เร่าร้อนด้วยราคะจิตก็เร่าร้อนด้วยโทสะก็เรียกว่าเป็นคนโอ้เสื่อมจริงๆเลยว่างั้นนะหมดหม ด, หมดเนื้อหมดตัวเลยนะ ถ้าเป็นนี่ก็อะไรถ้าเป็นชาวโลกก็เข้าบอนกลับมาหมดเนื้อหมดตัวไม่มีเหลือเลยอ่นนนานเถอก็เรียกว่าคนประมาทอย่างแท้จริงโสมัทในโลภะนี่แห้งแรงครับโลภะเป็นสมนว่าผ่านไปตั้งนานแล้วบอกไปแล้วว่ามันแห้งสมนันี่ก็แห้งแรงนะในโลภะก็ เ, เอาตลกมาเปิดตัวนะสมนัทแห้งแรงหรือเปล่า คือถ้าสมนัตแห้งแรงเนะี่ยมันเป็นสมนัตที่พอหัวเราะจบเดือดร้อนเนี่ยนะสมมติว่าเราไปหัวเราะเรื่องที่ที่แบบเรื่องมันสมมติว่าโจ๊กทั้งหลายแหละเนี่ยนะหัวเราะจบปั๊บเนี่ยฟุ้งเลยเนี่ยคือสมนัตในวัตถุ ก, กามทั้งหลายจะเป็นลักษณะนั้นจะต่างจากสมนัตในกุศลเนะกุศลก็สมนัตไม่ใช่ว่าโอ้โหฉันจะเจริญกุศลชีวิตแห้งแล้งเฉาตลอดก็ไม่ใช่ แต่หมายถึงว่าสมมนต์ที่ที่ไม่มีโทษเนี่ยนะหมายถึงสมมนต์ที่เกิดในธรรมนีทวารอื่นก็ในญาเดียวกันนะว่าผู้ที่ไม่สำรวมโสตินรีเนี่ยจิตย่อมแสไปในเสียงทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยโสตพิกษจนมีจิตแสไปแล้วปราโมทก็ไม่มีเมื่อปราโมทไม่มี ป, มม ป, มมมปีติก็ไม่มีเมื่อปีติไม่มีปัสสัที่ก็ไม่มีเมื่อปัสสัที่ไม่มีพิกูจนนั้นก็อยู่ลำบาก จิตของพิสุผู้มีความลำบากย่อมไม่ตั้งมัน่นเมื่อจิตไม่ตั้งมัน่นทำทั้งหลายก็ไม่ปรากฏเพราะทำทั้งหลายไม่ปรากฏพิสุนั้นก็ถึงความนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทแท้จริงเนี่ยนะทะวารลิ้นทวารกายทวารจมกูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจก็นัยยะเดียวกันเนะ น, น, นี่ยนะเพราะในอินทรีย์เนี่ยนะที่ที่ สำคัญที่เราจะต้องสังวรสัมรวมเนี่ยนะคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะอ่ะสังวรอ่ะสังวรตรงนี้เนี่ยเป็นชื่อของอะไรไม่มีสติใช่ไหมองค์ธรรมคืออะไรไ อกุศลสิบสองแล้วบวกยี่สิเจ็ด้วยนะถ้าตามสูตรต้องเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าไม่มีสติหรืออสังวรทีนี้ผู้ที่มีอสังวรเนี่ยในในทุกทวารเนี่ยจะไม่มีอะไรไม่มีปีติใช่ไหมไม่มีปราโมทก่อนไม่มีปราโมทก็ไม่มีปีติ เมื่อไม่มีปีติก็ไม่เกิดปัจสัาธะเมื่อไม่มีปัสสัาธิก็ไม่มีอะไรความสุขปกตินะที่อื่นๆจะเป็นความสุขถ้าไม่มีความสุขก็สมาธิก็ไม่มีถ้าสมาธิไม่มีเนี่ยนะหรือที่เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นเขาเรียกว่าทำไม่ปรากฏ ทานะไม่ปรากฏธรรมะตัวนี้เป็นชื่อของสมถะกับวิปัสสนาเมื่อสมถะวิปัสสนาไม่ปรากฏเรียกว่าประมาทเรียกว่าผู้ประมาทอย่างแท้จริงเลยนะประเิดหนึ่งจะลืมแต่เฉดสองจะลืมหมดแลวนะ ไม่น่าเชื่อมันไปยังไงกันหมดแล้วนะ่งังได้ไวจิตนาะจิตะ <c oughs> โโทษข้องว่าตายจริง ถ, ถ, ถ, ถ้าถ้าถ้าเป็นคุณบุญมีถามเนี่ยไม่แปลใกใจเลยอ่ะอืมอันน้พวกอย่างนี้เรียกว่าผู้ประมาทอย่างแท้จริงนะคือผู้ที่ไม่ได้อบรมส ม, มะถะและวิปัสสนาเนี่ยนะ ในท้าทุกอารมณ์ดูนะรูปเสียงกลิ่นรสโพธภพะแล้วก็ธรรมอารมณ์เนี่ยนะซึ่งซึ่งมันไหลมาแบบนี้ท่านเอกคำว่าผู้ทำไม่ปรากฏอันนี้อะไรปรากฏแทนปกตินะก็อกุศลปรากฏแทนนะ อกุศลที่เป็นปฏิปักต่อสมถาวิปัสนาเนี่ยปรากฏแทนเพราะฉะนั้นถ้าความอากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นนะลองสาวไปอย่างนี้เรื่อยๆนะลองถอยหลังนไะล่ไล่ไล่ไล่มามาจากอะไรนะก็จะสาวได้เลยว่ามาจากอารมณ์อะไรนะทีนี้ที่สาวได้เพราะอะไรเพราะไม่สังวร น, นั่นเองคือไม่มีขาดนะถ้าจะมีสติเป็นยังไงกับมี สัมปชัญญะเนี่ยนะสติสัมปชัญญะผู้นี้เป็นของคู่กันเรียกว่าภูมิการะธรรมเนี่ยนะธรรมที่มีอุปการะมากเนี่ยพั้นสัมปชัญญะ4ี่ประการเนี่ยต้องเข้ามาสัมปชัญญะสี่ประการต้องต้องอบรมให้ดีใช่ไหมศาสกะสัมปชัญญะสาสกะสัมปชัญญะนี่พระพุทธเจ้าสอนไว้ไงสอนว่าอารมณ์ทั้งหลายนะถ้าไม่ถ้าไม่เกิดประโยชน์ตัดเลย อ, นนะอารมณ์ที่ไม่สัปปายะนะเอาออกไปเลยเป็นอันดับแรกที่ที่ไม่มีประโยชน์เลยนะทีนี้ทําไม่สัปปายะกุศลไม่เจริญก็หลีกเลี่ยงก่อนแล้วโคจรน่ะทำยังไงจะโคจรสติปัฏฐานเนี่ยนะตามที่เป็นวิสัยของบิดาคือสติปัฏฐานใช่ไหมสติปัฏฐานเน้นเน้นอะไรเน้นอสัมโมหสัมปชัญญะในทวารหนะถ้ากล่าวตามอัตตะทามมหทิปโทปมาสูตร ที่กล่าวในทวารหูทวารกายแล้วเชื่อมไปหาโยงไปหาสติประฐานคือทวารตาอสัมโมห์ทวารตามี8ปดในใช่ไหมแปดในนั่นนะี่นถ้าถ้าจะเอาอสัมโมหะอย่างเดียวอสัมโมหะแปดในก็คือหนึ่งอะไรปฏิเสธอัตตาเพราะว่าไม่มีอัตตาที่ไหนไปเห็นไปได้ยินไปรู้กลิ่นรู้รสรู้โพธาภรู้ ธรรมรมอะไรที่ไหนหรอกเนี่ยนะไม่มีอัตราอยู่ในนี้อย่างแท้จริง2องอ น, นะมูลปริญญาการมูลปริญญาก็คืออะไรจากครูทวารวิถีโสตทวารวิถีาณะทวารวิถีชิวหากายะมโนทวารวิถีมันก็ศึกษาวิถีจิตในทวาร6ให้ได้อันนี้เรียกว่ามูลปริญญาข้อสองก็3นะตาวะกาลิกะ ตาวะกาลิกาแปล ว, ว่าของชั่วคราวทั้งนั้นนะนีความจิตความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เกิดในทวารหเป็นของชั่วคราวหมดเลยเนะทุกอย่างเป็นของชั่วคราวแล้วก็ที่สี่ก็อาคันตุ ก, ก ะ, ะที่เรียกว่าอาคันตุกะเนี่ยเพราะว่าตัวจิตถ้าในาจักรคูทวารวิถีเนี่ยไล่ไปถึงไหนอานะปะ ปัญจทวาราวชนะาัชนะจักโคสัมปติชนะสันติรณนะววทัพนะอันนี้ชื่อว่าเป็นเป็นเจ้าของชาวนะเป็นแขกหมดถ้ามโนทวารนนะ่ะมโนเนี่ยเป็นมโนทวาราวัชนะเป็นเจ้าของชาวนะเป็นแขกเนี่ยนะคือทำไมไม่เอาตัวอย่างเจ้าของบ้านบ้างทำไมปล่อยให้แขกมาย่มยีเหลือเกินเนี่ยนะ เขบอกว่าปกติแล้วจิตเนี่ยผ่องใสใช่ไหมประพัสระมีดังพิกฆเวเหมือนะันน่ะก็คือจิตปกติเนี่ยนะอย่างเช่นมโนโหรือจิตเหล่านี้มันก็ปร ะ, ประพัดสอนใช่ไหมมันไม่มีกิเลสอะไรเลยสักอย่างถ้ายิ่งผวังด้วยแล้วยิ่งมหาวิบากนะเป็นผลบุญอะ่ะไม่เศร้าหมองแต่ที่มันเศร้าหมองเพราะอะไรเพราะอุปกิเลสจรมาเพราะฉะนั้นก็ตั้งไว้เออของเดิมเราก็ไม่ได้มีกิเลสอะไรนะทำไมปล่อยให้กิเลสมันเกิดได้นะนันะทำไมยอมแพ้แขกหมดเลยอะ่ะ อันั้นอคันตุกะข้อ5ก็อะไรขันข้อหธาตุแ้วเอายตนะ8ปดปัดจเนี่ยนะก็ถ้าจะเพิ่มอีกนะพวกนี้ก็เป็นอินทรีย์ในตัวอยู่แล้วใช่ไหมทุกอย่างเนี่ยเป็นอินทรีย์ในตัวก็เท่ากับกล่าวอินทรีย์ละ ทีนี้มันเชื่อมให้บาปอากุศลทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นเรียกว่าอะไรเนี่ยคือปฏิจจสมุปาทสายวัตตะว่าวัตตะมันเป็นไปอย่างนี้นะทีนี้ถ้าผู้ที่ประมาทแล้วเนี่ยนะผู้ประมาทอย่างแท้จริงอะ่ะทําให้มีอะไรอีกพบต่อไปก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจยอีกแต่ว่าโครงสร้างทางร่างกายจะเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งเลยเอาโครงสร้างแบบไหนคุณทัพเอาสูงขึ้นบนหรือว่าแต่ข้างหน้าสูงขึ้นบนไหม ไปขว้างๆไม่เอานะต้องเอาแบบขึ้นตรงเข้าไวนะ้ไม่ก็อย่าสูงเกินไปอี ก, ก น, นะเอาพอดีพอดีสิงั้นก็ผู้ที่ไม่สังวรเนี่ยนะก็นำมาซึ่งความ เ, าเรียกว่านํามาซึ่งความประมาทงั้นก็มันฝึกอันนี้เอาไว้ให้มากๆานะจึงจะเพื่ออะไรเพื่อเพื่อเป็นเหตุแห่งการสังวรที้อย่างที่ที่กล่าวไปเนี่ย เป็นเป็นเบื้องต้นที่เรียกว่าสมีสติสัมปชัญญะที่สังวรแต่ว่าถ้าจะไม่ประมาทอย่างแท้จริงเนี่ยต้องอยู่ด้วยสมถะก ว, วิปัสสนาไอ้ความรู้เหล่านี้เนี่ยมันถือว่าเป็นความรู้เบื้องต้นใช่ไหมเป็นยาตะปริญญายาตะปริญญานี้ตามทั่วๆไปก็ยังไม่นับว่าเป็นเป็นชั้นวิปัสสนาเนี่ยนะชั้นวิปัสสนาก็คือการไปมานสิการในสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นแหละเรียกว่า วิปัสนาเนี่ยนะแต่ทีนี้วิปัสนาจะเกิดได้ก็ต้องเนื่องจากมีอะไรมีสังวรนะนะสังวรเป็นเหตุแห่งปราโมทปราโมทเป็นเหตุแห่งปีติปีติเป็นเหตุแห่งปัสสัตทิปัสสัตทินำมาซึ่งความสุขผู้มีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นคือสมาธิผู้มีจิตตั้งมั่นทำก็ปรากฏเนี่ยนะทำก็ปรากฏคือสมถวิปัสสนาก็ปรากฏเรียกว่าผู้ไม่ ประมาทอย่างแท้จริ ง, งนะนนเนี่ยนะในทวารหเด้วยนะก็ในลักษณะเดียวกันนั่นจะถ้าเราไม่ประมาทเมื่อไหร่นะวิธีคิดดูนะว่าทวารไหนมั่งปรารบสมถาวิปัสสนาได้นะถ้าถ้าเอาโจดชั้นสูงมาตั้งเลยนะ่ะในอารมณ์ที่เนี่ยเกิดมาเนี่ยรับอารมณ์มาเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไล่ไปหานะไล่มาอย่างนี้เรื่อยๆทวารไหนทำให้จิตตั้งมั่นที่สุดอารมณ์ไหนก่อนเนี่ยนะไล่ไป ไปหาสุขหาปัสสัตทิหาปีติปราโมทไปหาสังวรแล้วไปหาทาวานเนี่ยแล้วทาวานที่รับอารมณ์ไหนอะ่ะที่ทําให้เจริญสมถะวิปัสนาได้มากที่สุดเนี่ยนะแล้วก็จริงๆแล้วนะความคิดหนึ่งความคิดที่เป็นแบบนี้ขึ้นนะมันสาวได้หมดอหะเนี่ยนะถ้าถ้ามีศรัทธาที่จะสาวว่างั้นเถอะแต่แต่แตมันต้องจําสูตรบ้างหน่อยมั้ง น, นะจาสูตรไม่ได้ไม่รู้จะสาวไปไหนนะี่ย ตรงศีลเนี่ยเป็นศีลเจนทัน้ง<น>สมถะวิปัสนาเนี่ยนะะเพราะว่าอันนี้สงฆ้องศีลเนี่ยมั น, มนอันนีสงฆ้องศีลเนี่ยไล่ตั้งแต่สังวรจนถึงเนี่ยสุขเนี่ยนะจบที่สุขถ้าสมาธิอันนี้ก็อาจจะเป็นสมาธิที่เป็นความไม่เดือดร้อนแห่งจิตเนี่ยนะเป็นอุปจาระที่เป็นบาตของสมถะอาจจะได้หมายถึงฌานวิปัสนาก็คือการพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือไตรสิกขานั่นเองว่าจะมีไตรสิกขาหรือไม่เมื่อเมื่อรับอารมณ์เนี่ยนะแต่อันนี้ไม่ใช่หมายคำว่าจะต้องไปเที่ยวเห็นจะได้ฝึกมิยมก็ถามว่ายอมญาติภุการนั่นแหละถามนะคือก็ถามว่าถ้าแน่จริงมันต้องเจริญได้ทุกที่สิท่านว่างั้นเดียนะก็คงมาก็คุยกันว่า ถ้าแน่จริงอ่ะถ้าจะรักษาซัพ์ได้ดีจริงอ่ะนะมันก็ต้องไปเข้าบอลเรื่อยๆดูว่ารักษาซั์ได้จริงหรือเปล่ามันไม่ได้แปลว่าจะต้องไปเที่ยวดูให้หมดเนี่ยนะจะได้ฝึกดูซิว่ามันแน่จริงหรือเปล่านะไม่ใช่เพียงกับว่าท่าเขาบอกว่าจะถ้าจะลองซ่อมๆดูนะก็ลองนึกสิ่งที่ตัวเองชอบกับสิ่งที่ตัวเองชังดูที่จิตคิดยังไงอย่างเงี้ยนะแค่นั้นก็เพียงพอแล้วไม่ต้องไปเข้าสนามอะไรจริงๆหรอกนันะ พอที่จะรู้แล้วว่าศึกในศึกงอกเป็นขนาดไหนเสียงเจริญสมถะเสียงเจริญสมถะเจรเิญ ย, ยังไงปุการเจริญยังไงเสียงเป็นสถมถะ <c oughs> ก็หมายความว่าถ้าเสียงเป็นเป็นปฏิฆานิมิตหรือว่าเป็นเป็นสุภานิมิตนะครับถ้าเป็นสุภาณิมิตแล้วท่านท่านจะท่านจ ะ, จะเจริญเจริญธรถมาะยังไงลนะครับอ๋ออ๋อคือไปเจอใช่ไหมฮะถ้าหากว่าเสียงมันเป็นเสียงเสียงเพลงหรือว่าเสียงอะไรเนี่ยมันย่อมนํามาซึ่งกามใช่ไหมกิเลสกามทําให้เกิด ทำให้เกิดฉันทะเกิดให้เกิดความพอใจใช่ไ้ยถ้ามันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะโยนิสวงรัชการยังไงเนี่ยดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างให้ฟังนะถ้าพุ่มพวงร้องคิดยังไง <c oughs> ลองคิดถึงพุ่มพวงกันนะคนร้องก็ตายไปแล้วคนฟังไม่นานก็จะตายเป็นกันนั่นแหละนะมรณ า, านุสเ ต, ตดีกว่าเพื่อนนะง่ายมากนะถ้าฟังเสียงเพลงนะ พะกลับมาฐานอื่ น, นไปเมตตาโหดนตรีก็เพราะ <c oughs> นักเสียงก็ดีเนี่ย น, นี่ไม่ได้กินหรอก น, นะ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เพรกรเนี่ยนักร้องชื่อดังคนนู้นก็ตายไปแล้วเนี่ยนะคนก่อนก่อนเนี่ยดังวันนี้ก็ตายไปแล้วคนที่กำลังร้ององี้นี้ไม่นานก็จะตายคนฟังก่อนไม่นานก็จะตายนะเพราะฉะนั้นก็ไม่นานจะตายกันทั้งหมดอีกไม่กี่ปีก็หาบัหยัดไม่ได้อันนี้ดีที่สุดเนี่ยนะผมมีตลาบเทพสวดปฏิโมกข์ามานั่งฟัง ฟังไอส่วนปฏิโ ม, โมด่ดีแล้วดีแลแบบนี้จเจริญสมถาไดาน้นะครับฟังไปแล้วก็ามติให้ฟังมาไนสมาธิสมถาข้อไหนเอาเอาสี่สิบมาตรฐานสี่สิบเนี่ยสาวมากนะักหนึ่งยุ่งกันใหไม่ใชนั่งคอกระลาก็ฟังก้คงก้งก้งก้องเยก็สมถะก็ยุ่งมันมากอ เ, เอาให้มันพอที่จะเจริญแนละ้มปิดอบา r ทได้หน่อยนยก็ สมถะก็เจริญอย่างที่ภาษาริบตทท่านเจริญก่อนบวนั่นแหละนั่นนะว่าเนีย่ยนะพวกนักร้องนักแสดงก็อไม่นานก็จะตายกันหมดแล้วน่คนดูไม่นานก็จะตายกันหมดแล้วนะรวมทั้งคนคิดก่อไม่นานก็จะตายอยีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็รีบเจริญกุศลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าเรายังประมาทอยู่นี่ก็ต้องมาร้องเพลงแบบนี้อีกแล้วเนี่ยนะชอบมากใชจิตกะเป็นเะสียงร้องห้ ท่านฟังเสียงเพลงนะท่านท่านฟังให้ดีนะถ้าเอาเพลงตัดเพลงนะเอาเอาเพลงอย่างเพลงรักเลยเนี่ยนะเอาเพลงผมเคยนึกนะฟังเพลงจุนทราพรเนี่ยนะและเอามาวิเคราะห์ว่าเนื้อร้องนะั้นนะ่ะนะหมายถึงอะไรนะเป็นเรื่องของหนึ่งนะทุกขษัตริยเป็นเรื่อ ง, องทุกขเวทนานี่โอ้โหเยอะจริงๆนะเรื่องโทมนสเวทนา คำเหล่านั้นเนี่ยนะเร า, เราผมนึกไม่ออกตอนนี้นะเนื้อเพลงอน ะ, อะและเป็นเรื่องของของนันทิราคะนะราคานะลองวิาานะจัยดูนะครับไม่มีกุศลอยู่ในนั้นเลยไม่มีเมตตาอยู่ในนั้นเลยไม่มีกรุณนาอยู่ในนั้นเลยมีแต่เจ้าอย่างเดียวมีแต่ผิดหวัง ม, มีแต่โดนมากนะโทมนัสเนะื้อโทมนัสน้อยเนื้อต่ำใจนะ หรือยังอาจจะมีบ้างคือมานะมาน่าไปทางต่ำต้อยนะเนอยน้อยอกน้อยใจนะแต่ว่าโดยทั่วๆไปแล้วนะก็ประกาศทุกกระทรวงไทยนะถ้าฟังให้ดีๆนะก็มีอยู่สองอย่างเพลงแล้วผมนึกโอ้โหนี่มันเป็นเป้นลึกผอแสดงว่าผู้การนี่เข้าไปลึกกันนะฟังเพลงแล้วลงอริยสัจได้นะคนอื่นเอาบ้าง นายก็ชอบฟังเพลงจุราพรไงผมก็กลับู้ไปด้วยนะแล้วแ ล, ว, แล ว, วิจารณ์เป็นอริยศาสตร์ให้คุณนายฟังบ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวคุณนายบ อ, อกปิดเด้อปิดเด้อ คือไอ้สำคัญตัวนั้นเป็นชื่อของอะไรคําว่าสําคัญนะองค์ทําได้แก่อะไรคําว่าสําคัญตัวนั้นเป็นชื่อของตันหามานะทิฐิเนี่ยนะคือไปคิดยังไงด้วยอํานาจตันหามานะทิฐิในเสียงนะเรียกว่าสําคัญในเสียงสําคัญแต่เสียงสําคัญว่าเสียงของเราเป็นต้นก็คือหมายถึงไปสําคัญด้วยอํานาจกิเลสเนี่ยนะไม่ใช่คิดว่าเออเนี่ยเสียงอันนี้ไม่ใช่นอย่างน้อยที่สุดก็ต้องสาวไปหาอะไร สมุดฐานของเสียงนั้นๆอันนั้นโดยทั่วๆไปถ้าเป็นเสียงเพลงโบราณเนี่ยนะเสียงเพลงสมัยโบราณสมัยนี้ไม่ค่อยมีหรอกเพลงรุ่นโบราณๆหน่อยก็คือเพลงที่ประกาศถึงความไม่สมหวังซะส่วนใหญ่วิปโยกทุกันนะเป็นเพลงประกาศวิปโยกทุกเป็นหลักนะนะกับเพลงที่เรียกว่าโหยหวนเพื่อหาทุกันใหม่เนี่ยนะก็มีอยู่สองประกาศเนี่ย แต่เพลงสมัยใหมก่ก็โอ้โหดีดสีตีเป่าเคาะกระ ม, มังอะไรก็เป็นเพลงไปหมดแล้วมีเนื้อหาอะไรสักอย่างคิดตามไม่ได้เลยนะถ้า แ, แต่เป็นเพลงโบราณ น, นี่ก็คือเป็นการประกาศถึงความผิดหวังซะโดยมากเลยนะยิ่งรุ่นคุณปู่คุณย่าทั้งหลายเนี่ยจะเป็นเพลงกลุ่มนั้นซะส่วนใหญ่จะเพลงสมัยใหมก่ก็โอ้โหโดเรมีฟาซอนก็เป็นเพลงไปหมดแล้วจนเปิดใบจนพระจะร้องตามได้หมดแล้ว <c oughs> แรจริงแจริงรับไม่ยากคนลเรื่องเลยนะคนเรื่องกับธรรเลยนะเ่มันเป็นอะไรฮะมันเป็นวัชีที่เป็นเรื่องเพิร์เจอร์เป็นเป็นหลายๆอย่างนะโดยมากก็เพิร์เจอร์บ้างบางทีก็เป็นเป็นเพร์เจอร์นะเป็นหลักเพลงเนี่ยทงที่นดีเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องแต่เงพระรตรู้แปลว่า ฟังแล้วเาแ่ได้เสียงคอเนงไรเพราะว่าธาตุมันเสมอกันคือธาตุมันเสมอกันใช่เขารากเสียงก็ยาวเงี้ยเปนเป็นเพลงฝรั่งเงี้ยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้อะไรแล้วก็เสียงคอตึดลธาตุมันเสมอกันตาลาค่าตาราคามันใกล้กันโทสะกับโทสะมันใกล้กันย้อนมหอีกครั้งหนึ่งว่า ผู้ที่ไม่สัมรวมในทวารทั้ง6อย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยปล่อยจิตให้เป็นไปกับบาปอกุศลก็เรียกว่าผู้ประมาทอย่างแท้จริงอย่างที่กล่าวไปเรียกว่าผู้อยู่ด้วยความประมาทอีกข้อหนึ่งบอกดูความพิสูจน์ทั้งหลายภิกษุเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่างไรภิกษุสัมรวมจากขุนซีอยู่จิตก็ไม่แสไปในรูปทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งด้วยจากสุพิกษุนั้นไม่แสไปแล้วปราโมทก็เกิดเมื่อเกิดปราโมทแล้วปีติก็เกิด เมื่อใจเกิดปีติกายก็สงบภิกษุผู้มีกายสงบก็อยู่สบายจิตของภิกษุผู้มีความสุขก็ตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วทำทั้งหลายก็ปรากฏเพราะทำทั้งหลายปรากฏภิกษุนั้นก็ถึงนับถึงความนับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทแท้จริงเนี่ย น, นีก็ทํำยังไงที่จะมีไตรสิกขาในทวารหในอารมณหกนั่นแหละเรียกว่า ผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทเนี่ยนะเพราะเพรา ะ, ะธรรมะที่กล่าวไปตั้งแต่เป็นผู้สังวรเนี่ยนะสังวรก็หมายถึงศีลและสังวรนั่นเองดงนั้นถ้าสามารถที่จะสังวรด้วยอํานาจแห่งศีลได้นะบุญทั้งหลายที่เป็นอนิสงค์ของศีลก็เกิดขึ้นเนี่ยนะคือปราโมทย์ปีติปัสสัตที่สุขสมาธิเนี่ยนะก็จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลของบุญ เมื่อบุญเหล่านี้งอกงามเท่าไร่ก็เป็นบาปแห่งสมถะวิปัสสนามากเท่านั้นให้รู้เถอะว่าพื้นฐานในสูตรเหล่านี้เนี่ยนะภิกษุที่ฟังคือผู้รู้สมถะวิปัสนาเป็นอย่างดีแล้วเพียงแต่ว่ามันไล่ทวารไม่ค่อยถูกเหมือนกันแต่ไล่ทวารไปแล้วเอ๊ะไม่รู้ว่าบาปมันไปยังไงเป็นยังไงมายังไงพระองค์ก็มาเชื่อมให้เห็นว่าเออเนี่ยทวารบาปไหลมาอย่างนี้นะทะวารบุญเนี่ยไหลไปอย่าง น, านั่น พิจารณาอย่างนี้เป็นบาป พ, พิจารณาอย่างนั้นเป็นบุญเพราะท่านฟังเข้าเนี่ท่านไปปฏิบัติได้แล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเป็นเป็นเป็นโครงสร้างนะจริงๆแล้วนะถ้าเป็นเป็นภาพเขียนมาปั๊บจะเป็นโครงสร้างแบบนี้เลยะก็คือพองแสดงลักษณะโครงสร้างของชีวิตให้เห็นของผู้อยู่ด้วยความประมาทและไม่ประมาทเนี่ยนะคำว่าทําไม่ปรากฏนี่นะฮ ะ, ะตรงนี้เนี่ยนะฮะ ปกติแล้วเนี่ยมหยถ า, าพุทธถ้าสมมุติว่าทั้งวร น, นะก็เป็นญาถาพุทธญาณทัศนะใช่ไหมครับช่วงปลายตอนนี้ช่วงปลายนั้นเป็นบทว่าธรร ม, มาะปาโตภวันติได้แก่ธรรมคือสมถะและวิปัสสนาย่อมไม่เกิดขึ้นมะะันก็หมายถึงสมถะและวิปัสสนานั่นเองอันสมถะก็คือฌานวิปัสสนาก็คือการเห็ น, นด้ว ย, <ด>ยความเป็นของไม่เที่ยงก็คือตีรณปริญญานั่นเอง อันผู้ที่สังวรเ น, นี่ยนะด้วยอํานาจของจริงก็สังวรมีห้าใช่ไหมโดยสัพ น, น, นะนหนึ่งศีละสังวรสังวรด้วยศีลสองสติสังวรสังวรด้วยสตินี่นะห้ามไม่ให้บาปมันไหลเข้ามาสังวรด้วยญาณคือด้วยปัญญาเนี่ยนะอย่างที่กล่าวนี่ก็เป็นสังวรด้วยปัญญา แล้วก็สังวรด้วยวิริยะความเพียรที่จะไม่ให้บาปอากุศลเกิดขึ้นแล้วก็ขันติเนี่ยนะสังวรด้วยอาโทสักและพวกนี้ก็เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นด้วยหน้าของความสังวรสังวรเหล่านี้เป็นทวาลแห่งบุญที่จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเป็นฐานอย่างดีแห่งสมถะและวิปัสสนาทั้งหลาย